เรื่องนิชชวิเพรศเพศชายหนึ่งเรื่องวงเล็บเพรศร่างไม่มีผิวหนังเพศชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อประแกเขตกรุงราชคือครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคลานะครองอันตราวาศ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 เปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าแกะในครุงราชครึ่เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีด้วยได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคลณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบาัตวงเล็บเรื่องที่39